แล้วก็วันวันนี้วันที่เก้าที่สิบที่สิบเอ็ดสามวันนี้เป็นวันที่สิทธยานุสิทธิของหลวงปู่มั่นจะไปลำลึกถึงหลวงปู่มั่นที่ได้ละสังขารไปเมื่อปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสองโดยวันที่สิบเอ็ดตั้งแต่วันที่สิบ ก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาตลอดคืนที่วัดป่าหนองผือหรือวัดภูริทัศที่หลวงปู่วิริยังไปสร้างเจดีย์เจดีย์แบบนอกดาวแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่สิบซึ่งก็ได้ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิเปลีป่ยนแผ่นดินใหม่ๆ แล้วก็สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ก็ไปเปิดในงานนี้ท้าปกติแล้วถ้าไม่ได้ติดภาระเหล่านี้ก็จะไปที่นั่นทุกปีแต่รเอิญปีนี้ก็มีภาระหลายอย่างรับไว้เกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่มั่นก็คงจะต้องเล่า ดังนั้นตอนนี้ไปก็ตั้งใจสดับตับฟังพระธรรมเทศนาเป็นลําดับต่อไปนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูชัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูชัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโต ระหะโตสมาสมุทัสสะสีลาปริภาวิโตสมาธิมาปโลโหติมหานิสังโซสมาธิปริภาวิตาปัญญามาปาลาโหติมหานิสังสะปัญญาปริภาวิตังกิตังสมะเดวะอาสเวหิวิมุจจติติ อิมัตสรรมะปริยายัติะััทโทซาธาญาสมันเตหิสกจังธรรมโมโซตัมโบติณนะโอกาสนี้จกได้น้อมนำเอาธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเพื่อแสดงชี้แจง ในเรื่องอเนิสงของศีลสมาธิและปัญญาที่ผู้ปฏิบัติธรรมได้ฝึกฝนบำเพ็ญให้มากเจริญให้มากแล้วย่อมเกิดผลเป็นขั้นเป็นขั้ น, เ ป, น, นเป็นลำดับไปวันนี้สำนักงานใหญ่ของทีโอที ได้จัดกิจกรรมก็คือในรอบเดือนหนึ่งมีการแสดงพระธรรมเทศนาในวันศุกร์สองครั้งในหนึ่งเดือนอันนี้ก็เป็นวันศุกร์เดือนพฤศจิกายนคงจะเป็นครั้งแรกของเดือนนี้ จึงได้จัดกิจกรรมฟังธรรมดังกล่าวที่ชมลมชาวพุทธของทีโอทีได้จัดและถือปฏิบัติเสมอมาเป็นที่อนุโมทนาในกุศลละเจตนาและศรัท ธ, ธาของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาพร้อมกันและถือปฏิบัติ วันนี้โลกไรผมแดนโลกมันไม่มีอันใดที่จะปิดบังเปิดเผยกันทั้งหมดเพียงแต่เราลายไปหรือทำเฟซบุ๊กไปคนทั้งทั่วโลกทั้งเป็นล้านๆหลายล้านก็จะได้รับ ข่าวสารต่างๆจากจุดหนึ่งก็กระจายไปทั่วโลกเพราะเราเดี๋ยวนี้เราใช้คลื่นคนทุกวันนี้มีอภินญญาในหลักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นแล้วมีหูทิพย์มีตาทิพย์สร้างอิชิลิตได้เจโตปริยญาณยา รละลึกชาติถอยหลังก็ได้เราต้องการดูข่าวสารการบ้านการเมืองเมื่อวานนี้ก็กดไปดูก็ยังมีปรากฏมีทุกสิ่งทุกอย่างข่าวที่แล้วเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเอามาเป็นพยานหลักฐานได้ทั้งนั้นนี่แหละ เราเรียนใกล้เข้าไปถึงหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระองค์สั่งสอนไว้เมื่อ 2,600 กว่าปีมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกฎของธรรมชาติดังนั้นเมื่อเราเกิดมาอยู่กับธรรมชาติ แม้ร่างกายของเราเป็นกฎเกณฑ์มาจากธรรมชาติเป็นธาตุสังเคราะห์ทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรวมเป็นตัวเป็นตนของเรานี้ทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้เราเข้ามาถึงขั้นการปฏิบัติเอาธรรมะเข้าไปประดับไว้ในจิตใจ อันดับแรกก็ต้องเตรียมเตรียมกายเตรียมใจส่วนวาจานั้นเมื่อเราไม่เราปิดมันก็คงคงปิดอยู่แต่กายกับใจนี้เตรียมเตรียมกายด้วยการนั่งตรงอย่างที่เรากระทานี้เตรียมใจให้รับรู้เฉพาะสร้างกรอบขึ้นมา นั่นก็คือการฝึกสติทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วจึงจะสร้างปัญญาเกิดขึ้นเตรียมกายเตรียมใจทำจิตให้เป็นสมาธิและสร้างปัญญามีอยู่สามโจทย์ที่เราจะมาเฉลยกันเตรียมกายเตรียมใจทุกคนรู้ นี่เรามานนั่งพร้อมกันอย่างนี้เตรียมกายแล้วเตรียมใจก็คือตั้งใจจดจอ่อมีสติว่าบัดนี้เราทำอะไรสัมปชัญญะความตื่นตัวว่าตื่นตัวอยู่ในจุดใดจุดใดที่มันกล้องเข้าไปแล้วมันถึงความพอใจที่ว่าถึงจุดไทแมก็กที่เราก็กำลัง เตรียมกายเตรียมใจเสร็จพอจาจนั้นก็เริ่มกำหนดเพื่อที่จะให้มีสตินำสติมาตั้งมัน่นแล้วก็พัฒนาสติให้มัน่นคงจนกระทั่งสติคงที่สามขั้นเหมือนกันขั้นแรกกำหนดเอาว่าจุดใด ที่จะตั้งสติให้ตั้งมั่นทุกคนมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เป็นตัวชีวัดว่าชีวิตจะยืนต่อไปเป็นสันตติสืบต่อให้ยืนยาวไปเรื่อยๆโดยลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นประสาทอัตโนมัติ ดูแล้วว่ามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกตลอดเวลาก็เอาสติมาตั้งไว้ตรงที่ปลายลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือปลายจมูกตรงปลายจมูกนั่นแหละกำหนดเอาว่าเอาด่แหละให้มีความรู้อยู่ตรงนี้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ อันนี้เป็นการเตรียมกายหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้สุดเทือกกักไว้นิดหนึ่งแล้วก็ผ่อนออกมานับหนึ่งหายใจเข้ายาวถึงสุดเทือกกักไว้นิดหนึ่งผ่อนออกมานับสองนับไปถึงสิบครั้ง ก็เท่ากับว่าเราได้สร้างความเพียนหนึ่งนาทีร้อยครั้งก็ได้สิบนาทีการนั่งภาวนาแล้วมีสติอยู่ตลอดทั้งสิบนาทีนี้มากมีอานิสงส์มีภาวะธรรมเกิดขึ้นได้แน่นอนเพียงสิบนาทีนี้แต่ต้องจดจ่อและจดจ้อง กำหนดตา ม, ส ต, า ม, มสต็ตามลมมีสติกำหนดตามลมลมผ่านเข้าไปให้กำหนดรู้บุรพาจารย์ทั้งหลายบางรูปท่านก็เอาสามจุดบางรูปบางแห่งก็สี่จุดบางแห่งก็ขึ้นไปถึงสมองหย่อนลงมาหลายๆายจุดเพื่อต้องการ ให้จิตมีพลังพร้อมกับมีสติสัมปชัญญะมีความมีความตื่นตัวอยู่ตลอดถ้าเราได้อย่างนี้จิตก็จะรวมตัวลงกระแสจิตที่สร้างไปในจักรวาล น, นี้ก็จะรวมลงเป็นจุดเพราะ เรากำหนดลมหายใจเข้าแต่ต้องยาวจนกระทั่งเราคุ้นเคยแล้วกำหนดได้ดีแล้วสติตั้งมั่นได้แล้วอันนั้นเราจะหายใจธรรมดาก็ได้หรือจะทำอย่างไรก็ได้โดยอัตโนมัติแต่เริ่มแรกฝึก ก็ต้องหายใจเข้ายาวก็เพื่อเป็นการนำร่องให้จิตของเราดิ่งลงสู่ความสงบและมีอารมณ์เดียวนั่นเองแต่ถ้าหากชำนาญแล้วเพียงแต่เราหายใจเข้าหายใจออกสองสามเมื่อจิตก็นิ่งอันนั้นเราก็ดำเนินของเรามันจะมีภาวะการความรู้จะเกิดขึ้น คอยกำกับให้วิถีทางที่ทเรากําลังสร้างกุศลกับตัวเรานี้มันจะดำเนินไปเองเมื่อเรากําหนดลมหายใจเข้ากําหนดลมหายใจออกอยู่อย่างนี้นี่ได้แล้วความนิ <t ry> <t ry> ่งของจิตปรากฏ เมื่อความนิ่งของจิตปรากฏเรียกว่าจิตปกติของสามัญที่มันนิ่งได้เพียงแต่เราอ่านหนังสืออย่างขมักขมันไม่สนใจใดๆก็ทำให้จิตนิ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิแต่นี้เอา ง, ง่ายๆก็เรียกว่าจิตนิ่ง ต่อแต่นั้นเมื่อเรามีอารมณ์กรรมฐานก็คือลมหายใจเป็นพาหะที่จะนับเนื่องเข้าไปถึงจิตเมื่อเราพยายามมีสติตามอยู่อย่างนี้จิตก็จะเข้าถึงความสงบเมื่อจิตเข้าถึงความสงบ แต่ยังองค์ประกอบของสมาธิไม่ครบ ส, สภาพจิตของเรากระแสจิตของเราก็อยู่ในเทวโลกอยู่ในระดับเทวโลกสามารถที่จะสืบต่อกับโลกทิพในสวนในสวรรค์หรือเทวโลกเหล่านี้ได้ ตอนไม่ให้จิตเข้าถึงความสงบเป็นสมาธิถึงอุปจาระสมาธิเมื่อจิตเข้าไปถึงนั่นกระแสจิตของเราก็อยู่ในขั้นพลมเพราะบุคคลที่มีสมาธิมีปฐมฌานก็คือครบองค์ประกอบห้าประการคือวิตก วิจารปิติสุขและเอกขตาห้าประการนี้ครบถ้วนสภาพจิตกระแส จ, จิตก็อยู่ในขั้นพรมดังนั้นเมื่อเราจะท่องไปในเทวโลกก็ต้องอยู่ในขณะที่จิตสงบไม่ครบองค์แล้วก็ตัดตอน อาจารย์ที่มีในก่อนที่มีความชำนาญในการฝึกมโนมยิทธิพาไปนรกสวรรค์ก็จะใช้วิชาเรียกว่าบทสวดเพื่อตัดไม่ให้จิตดิ่งลงไปสู่เอกะขะตาให้จิตวกอยู่จงนั้นก็สร้างมโนมยิทธิ ให้เข้าสึงเทวโลกทีนี้องค์ประกอบของสมาธิคืออะไรวิตกก็คือความกังวลเริ่มแรกที่เรากำหนดลมหายใจเอาสติตั้งมั่นไว้ที่ปลายจมูกนี่คือความกังวลเป็นวิตก ทีนี้เมื่อเราหายใจคล่องหายใจเข้าหายใจออกคล่องตัวไม่กังวลแล้วก็เป็นวิจาร์คือมันเบาไปแล้วก็กลายเป็นเป็นปิติตามมาอีกเมื่อปิติก็พร้อมกับความสุขตามเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วจะถึงถึงเอกขารมต้องเพ่ง เพ่งลงไปนี้เรียกว่าฌานก็คือการเพ่งเพ่งแล้วจิตนิ่งรวมลงไปนี่สมาธิครบเพ่งก็คือฌานองค์ประกอบทั้งห้าก็เป็นปฐมฌานฝึกได้ขณะนี้อันนี้เรียกว่าทำสม า, สมาธิได้ มีสติตั้งมั่นมีสติมั่นคงสองประการเกิดขึ้นแล้วเมื่อสติตั้งมั่นจิตก็ตั้งมั่นด้วยเมื่อสติมั่นคงจิตก็มั่นคงด้วยเพราะสติเป็นอาการมาจากจิตนี่เราก็จะปรากฏกับบุคคลผู้อยู่ในความเงียบ นั่งกับหมู่มากมากก็เหมือนอยู่คนเดียวคือสร้างความเงียบให้เกิดขึ้นในรอบตัวเราลักษณะนี้อันนี้ปรากฏแล้วต่อแต่นั้นถ้าหากเราจะอยู่เพียงนี้ไม่ต้องดื่มดำไปก็พัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้น ในอันดับแรกครูบาอาจารย์จะสอนให้เราพิจารณาสังขารร่างกายของเหล่านี้ให้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาสังขารร่างกายว่าเป็นของส ก, กรปรกอยู่ตลอดเวลา ไหนเราจะต้องอาบน้าตอนเช้าและตอนเย็นไหนจะต้องรักษาผมขนเล็บฟันหนังอันนี้มองเห็นด้วยภายนอกผมขนเล็บฟันและหนังเรามองเห็นด้วยภายนอก จะต้องรักษาความสะอาดเราจะเห็นกลิ่นออกมาจากปากบ้างเห็นกลิ่นกายบ้างได้สัมผัสกับกลิ่นกายบ้างสีสะผมถ้าไม่ทำความสะอาดมันจะมีกลิ่นบ้างแต่เราใช้ชำระอยู่เราก็มองไม่เห็น ที่เรามองไปกับบุคคลที่เราประสบเราก็จะเห็นของความไม่สะอาดเหตุใดบุรภพาจาร์จึงสอนให้เรามาพิจารณาสังขารร่างกายก่อนเพราะอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมันมีอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวทีเดียวจึงสอนอยู่ในจุดนี้ นี่แหละขั้นตอนของการที่จะดำเนินไปสู่การปฏิบัติฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นกับตัวเราถ้าเราทำได้อย่างนี้อย่างต่อเนื่องในชีวิตของขราวาดวิธีชีวิตในแต่ละวันเราก็จะต้องคบหากับภาวะการต่างๆในสังคม ต่างจากผู้หลีเกเล้นออกไปปฏิบัติธรรมเป็นอาคาลาอาณาอาณาคาลยาคือผู้ไม่มีเรือนไม่มีเย่าเรือนคือไม่ไม่อยู่ในครอบครัวออกไปปฏิบัตินั่นอีกแบบหนึ่งแต่ยังคลุกคลีอยู่กับครอบครัวทั้งบุตรธิดาวงสาคนาญาตสามีปัญญา ก็จำดำเนินไปแบบชีวิตของครอบครัวกับคนมีมีเย่าเรือนก็ต้องแบ่งเวลาปฏิบัติอย่างนี้ทำไปวันละสิบนาทียี่สิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงถ้าเรานั่งภาวนาหนึ่งชั่วโมงสามนับสามร้อยครั้งเราก็ได้สามสิบนาทีนับไ้ถึงหกร้อยครั้ง หายใจเข้าหายใจออกก็ได้หนึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นการฝึกความเพียรต่อแต่นั้นก็นำหลักธรรมที่นี้ต้องอิงทางปริยัติหลักธรรมหน่อยเมื่อจิตของเราสะอาดจิตของเราสงบบริสุทธิ์มีพลังแล้วคบคิด เอาวิชาและวิมุตต์พระพุทธเจ้าพระองค์มีวิหารธรรมก็คือวิชาและวิมุตต์วิชาคือความรู้แจ้งอวิชาก็คือความไม่รู้วิมุตต์ก็คือความหลุดพ้นเมื่อพระองค์ได้บำเพ็ญจนกระทั่งอยู่จบ โล ก, กาธาตุอันนี้รู้จบหมดพระองค์เห็นอริยสัจสี่อันมีทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธความดับทุกข์มักหนทางดำเนินไปสู่ความดับทุกข์อริยสัจ ความจริงอันประเสริฐทั้งสี่ประการปรากฏแก่พระองค์แล้วพระองค์ก็รู้จบอยู่จบกฎเจนของสังสารวัฏที่มันจะพาให้สัตว์เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ครบกระบวนการแล้วพระองค์ก็ยังอยู่ด้วยวิชาและวิมุต ทีนี้อะไรเป็นเหตุให้เกิดวิชาและวีมุตมันก็มีคุณธรรมเจประการโพอชงจิตที่เป็นเหตุให้เกิดวิชาและวีมุตอะไรเป็นเหตุให้เกิดโพชชงจิต ก็คือสติปัฏฐานสี่ก็คือมีสติเป็นในกายในเวทนาเลจิตธรรมอะไรเป็นเหตุให้เกิดสติปัฏฐานสี่ก็คือสุจริตสามประการกายสุจริตวจีสุจริตเลมโนสุจริตและอะไรเป็นเหตุให้เกิดสุจริตทั้งสามประการนี้ ก็คืออินทรีสังวรการสํารวมอินทรีทั้งหกตาหูจมูกลิน้นกายและใจทั้งหกประการนี้เป็นตัวดำเนินที่จะเข้าไปถึงความสำเร็จความเป็นผู้มีวิชาและวิมุตรเมื่อเราเห็นอย่างนี้เอาอย่างไร ก็มาคำหนึ่งถึงอินซีการสำรวมอินซีอินซีในที่นี่คืออินซีหกแต่อินซีในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงทำให้อย่างยิ่งยวดคืออินซีห้าเราจะต้องเข้าใจแต่เอาเถอะเราถึงเมื่อเราไม่เข้าใจแต่จิตมันนิ่งแล้ว ต้นกล้าแห่งปัญญามันก็จะบอกเอาตามแนวที่ครูบาอาจารย์สอนให้เราพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาไปก็เห็นตามเป็นจริงแล้วความคลายก็จะเกิดขึ้นแต่มันไม่คลายหมดเพียงแต่คลายว่าเห็นโมเห็นเงื่อนเห็นปุ่มเห็นเงื่อนเท่านั้นแต่จะคลายก็จะต้องมาประพฤติปฏิบัติอีกหลายๆข้อขั้นตอน แล้วธรรมะเหล่านั้นมันก็จะพลั่งพลูออกมาจากตัวเราเองญาณคือความรู้จะเป็นเครื่องบอกเราเองตัวของเรานั่นแหละเมื่อทำจิตของเราให้สงบเร่นิ่งแล้วมันก็จะปรากฏใครเห็นอย่างไรอย่างไรมันก็เข้าไปสู่ความหลุดพ้นด้วยกันทั้งนั้นต้องการบุญต้องการความเป็นผู้มีปัญญาด้วยกันทั้งนั้น ทนี้อินทรีย์สังบนสำรวมตาเดี๋ยวนี้เรากำลังสำรวมตาเราหลับตาเราไม่มองอะไรแล้วเป็นการสำรวมแล้วสำรวมหูอยู่ในสถานที่อันสงัดอย่างนี้เสียงดนตรีพิพากราฏฐพลเสียงพูดเสียงคุยกันไม่มีเมิตฉาความสงบเนีาตาหูจมูก การดมกลิ่นอันนี้ก็มีกลิ่นไอก็คือเอเครื่องแอร์คอนดิชันหรือก็เครื่องปรับอากาศก็ปรับอากาศให้มีความพร้อมไม่มีกลิ่นเหม็นสาบไม่กลิ่นเหม็นเน่าม็นอะไรเกิดขึ้นเนืตาหูจมูกลิ้นลิ้น่มลด ตอนนี้ลินมันก็ไม่ได้รับรถอะไรกายสัมผัสเดี๋ยวนี้เรากลสัมผัสกับอากาศอใจใจกำลัง จ, ด จ, ด, จดจ่อจดจ้องอยู่กับสตินี่เรียกว่าสํารวมอินทรีย์แล้วแม้การนั่งภาวนาที่เรานั่งนี้ก็เป็นการสํารวมอินทรีย์นั่นแหละ กายตาหูจมูกลิ้นกายใจมารวมอยู่จุดเดียวกันเมื่อเป็นดังนี้ความขนองกายก็ไม่มีความขนองทางวาจาจะพูดจะกล่าวไม่มีความขนองทางใจคิดเพ้อเชื่อเพ้อฝันก็ไม่มีเพราะอยู่ในกฎเกณฑ์ของสติเราเอาสติตั้งมั่นสติมั่นคงและให้คงที่ เมื่อเป็นดังนี้จิตมันก็จะตั้งมั่นมั่นคงและคงที่ดังนั้นสุจริตสามปรากฏเมื่อสุจริตสามปรากฏก็ก้าวเข้าไปสู่สติปัฏฐานเหล่านี้เราฝึกสติอยู่มิใช่หรือใช่เรากำลังมีสติจดจ่อได้จกจ้องเพื่อที่จะให้สติตั้งมั่น เมื่อสติตั้งมั่นเกิดขึ้นสติปฐานก็เกิดมันตั้งมั่นอยู่ที่ใดตั้งมั่นจดจ่ออยู่ที่กับตัวเรากาหนดเรากาหนดไว้ที่ปลายจมูกก็ตั้งมั่นอยู่ที่จุดนี้แล้วก็มั่นคงตัวจิตเป็นตัวรู้แล้วก็คงที่คือไม่ผันแปรจะผันแปรก็นิดหน่อย ตัวจิตเป็นตัวยึดสติเป็นตัวจุดประกายแล้วจิตเป็นตัวรู้แล้วก็ยึดเนืนมีความพร้อมแล้วสติปัฏฐานเกิดขึ้นแล้วเราจะเอาสติปัฏฐานไปอย่างไรไปพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเป็นองค์ประกอบของธรรมะเกิดขึ้นแล้ว พิจารณากายก็ดังที่กล่าวมาแล้วว่าเมื่อเราถอนจากสมาธิครูบาอาจารย์ให้พิจารณากายนั่นแหละคือกายานุปัสนาสติปัฏฐานที่กำลังคำเราที่เรากำลังสร้างขึ้นเพื่อฝึกเมื่อเราฝึกกายานุปัสนาสติปัฏฐานรู้กาย สร้างองค์ประกอบคือสติแล้วก็ชาครลิยานุโยคคือพยายามประกอบความเพียรประกอบให้มันเกิดขึ้นมีสติตั้งมั่นสติสัมปชัญญะอภิชาความเพ่ง ทำความสงบให้เต็มที่อย่างนี้เมื่อพิจารณาเห็นพิจารณาเห็นกายนั่งไปนานๆก็เกิดปวดขาปวดแข้งปวดแล้วก็เป็นเวทนาโอนี้เวทนาเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาเพราะสติมันตั้งมั่นแล้วมันมั่นคงแล้วก็เห็นเวทนาโอเวทนานี้เป็นอาการมาจากจิต ตัวจิตมันไปไปไ ป, ไปรับรู้เราก็ปล่อยใช่หให้จิตนิ่งอยู่เฉยๆเวทนามันก็สักระยะหนึ่งมันก็หายไปถ้าเราไม่มากังวลอยู่กับเวทนาต่อแต่นั้นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จิตก็เรากำลังทำจิตให้สงบนิ่งอยู่นี่ มันก็เป็นจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานต่อแต่นั้นธรรมะตัวธรรมะเกิดขึ้นอัตถธรรมเกิดขึ้นความรู้ต้นกล้าแห่งปัญญาปรากฏโผล่ขึ้นในในห้วงนึกของเรานั้นก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็พัฒนาไปจะนั่งทบทวนพิจารณาเป็นข้อเป็นข้อ หรือรวบรัดมีสติกับจิตมีสติตั้งมั่นมีสติมั่นคงมีสติทงคงที่จิตตั้งมั่นจิตมั่นคงจิตคงที่ก็คือจิตสงบเมื่อรวมลงอยู่อย่างนี้บุคคลนั้นก็มีทั้งความสงบแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นกับตัวเองไม่ต้องไปละว่าตารากิเลสตัวนั้นกิเลสตัวนี้ เพียงแต่ทำความรู้ให้มันปรากฏโอ้ตัวนี้มันเป็นอุปาทานเมื่อเราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังว่ามันไม่ใช่ของจิลังยั่งยืนเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดเราก็จะเห็นว่าโอ้เนี่ยมันเป็นของมันเองมันเกิดของมันเองโลกธกาตุนี้มันเป็นอย่างนี้เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของตัวเอง ก็รู้แล้วที่เป็นรู้ว่าอุปทานคือความยึดมั่นถือนั่นนั่นละคือตัวธรรมตัวธรรมมาต่อจากนั้นเมื่อกําลังมันอ่อนก็เข้ามาสู่จิตฝึกจิตให้นิ่งให้เป็นสมาธิให้เกิดกําลังก็เป็นจิตตานุปัสนาสติปฐานเข้าไปอีกจากนั้นไปฝึกจนกระทั่งจิตของเรานิ่งเกิดปัญญาเกิดฌาน แล้วพิจารณาหาเหตุหาผลก็โพดชงจิตพทชงจิตก็จะเกิดขึ้นสติสัมโพทชงมีสติธรรมวิจจยะมีสติมีธรรมมีสติ <c oughs> มีวิลิยะมีปัสสติ มีสมาธิมีอุเปกขาเกิดขึ้นเป็นตัวที่มันเกิดปรากฏก็ทีนี้เราก็ท่องเราก็ดูตามไปก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งตัวอะไรเกิดขึ้นพิจารณาตัวนั้นมันก็จะเข้าไปถึงหมดนี่เป็นทั้งภาควิชาการและมันจะเกิดขึ้นกับจิตของแต่ละคนละคนที่ได้ฝึก เมื่อมันเป็นดังนี้เราก็ได้ชื่อว่าเราได้บำเพ็ญและภาวนาปฏิบัติธรรมไปได้แล้วต่อจากนั้นอาการต่างๆมันจะเกิดขึ้นธรรมะมันจะเกิดขึ้นแสงสว่างมันจะเกิดขึ้นอะไรต่อมีอะไรก็เป็นปัจจดตตังรู้เฉพาะตัวเราบางทีก็รู้ไม่เหมือนกันแต่มันก็เข้าอยู่ในหลักเดียวกันนั่นเองนี่แหละคือคือธรรมะ ดังนั้นสีลปปริภาวิโตสมาธิมัมโโลโหติมหานิสังโซเมื่อเรามีศีลเจริญให้มากทำให้มากจเจริญให้มากแล้วก็จะเป็นอนิสงเพื่อให้เกิดสมาธิมีสมาธิเป็นอนิสงอันใหญ่เมื่อสมาธิมีแล้วสมาธิ ปริภาวิโตปัญญามาหาปโลโฮติมหานิสรงโซเมื่อจเจริญสมาธิให้มากทำให้มากก็จะเข้าถึงปัญญาปัญญาปริภาวิโตจิตตังสมะเลวะอาสวหิวิมุตติเมื่อเราสร้างปัญญาสร้างปัญญาขึ้นมากมาก เมื่อปัญญาเกิดขึ้นนั่นแหละก็คือกุศลเกิดขึ้นกับตัวเราก็จะพัฒนาจิตของเราให้หลุดพ้นไปก็เข้าถึงวิชาและวิมุตตตามแนวที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีวิหารธรรมคือวิชาและวิมุตตพระอัสสาวกพระสาวกทั้งหลาย ที่เป็นพระสุภพระอระหันต์ทั้งหลายก็มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ดังนี้นี่แหละก็คือธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้บัดนี้บุรพาจารย์ทั้งหลายก็หล่นไปทีลกองค์สององค์วันที่สิบเอ็ดที่จะถึงนี้ เป็นวันคายวันละสังขารของหลวงปู่มั่นแล้วก็เป็นที่เผาสลีละชาปนากิจสลีละหลวงปู่ลีซึ่งท่านมีอายุเก้าสิบเก้าสิบหกปี เช่นเดียวกันกับการละสังขารหลวงปู่มั่นปีนี้เป็นปีที่หกสิบเก้าหลวงปู่มั่นท่านให้บัญชาให้อัตมารสร้างวัดคือวัดภูตูมวานารามจะเท้าความนิดจอยก่อนที่จะจบธรรมเมื่อปีสองพันห้าร้อยเก้า จำพรนษาไปจำพรรษาที่วัดป่าสุทธาวาสแล้วก็ดั้งภาวนาที่อุโบสถที่เผาสรีระหลวงปู่มั่นกลางคืนก็ฝันเห็นลวงปู่มั่นให้เข้าไปหาแล้วกรรมสั่งว่าเธอกลับไปจังหวัดเลยให้สร้างวัดทางทิศตะวันตกของธรมผาบิงไปสามกิโล ก็ตรงจุดที่เราไปสร้างวัดภูตูมานารามแห่งนี้นั่นแล้วก็บอกค่อยเป็นค่อยปันไม่ต้องไปรีบร้อนไปรีบเร่งเมื่อฉลองอุโบสถเสร็จเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ฝัน นิมิตเห็นว่าหลวงปู่มั่นคล้ายๆมากระบอกเป็นเสียงคล้ายๆกระซิบหรืออย่างไรได้วยเห็นเป็นรูปหลวงปู่มั่นยืนเราบอกให้สร้างหลวงปู่มั่นยืนเราก็มาคิดว่าเออจะสร้างสักสักแปดเมตรดีไหมหรือสิบหกเมตรหรือสิบเมตรก็เลยมาบอกว่าถ้าทำก็ให้ยี่สิบเมตร ยี่สิบเมตรนี้มันเท่ากับกุลบุตรครบยี่สิบอุปสมบทได้แล้วยี่สิบเมตรนั้นถ้ามาคำนวณเป็นคืบก็จะได้แปดสิบคืบเท่ากับอายุของพระพุทธเจ้าและอายุของหลวงปู่มั่นทีนี้เมื่อในเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด ท่านสั่งให้ทำอย่างนี้ย้อนไปถึงปีพศ2461หลวงปู่มั่นมาปีกมาภาวนาที่ถ้ำผาบิง้งแล้วได้คุณธรรมแนวที่จะดำเนินไปสู่ความหลุดพ้นเกิดขึ้นที่ถ้ำผาบิ้งแห่งนี้ ในยุคนั้นในคลาวนั้นมาถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาร้อยปีพอดีเหตุอัศจรรย์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นจึงเป็นเหตุให้ได้สร้างหลวงปู่มั่นแล้วก็ทอดกะถินในวันที่สิบแปดเพื่อสร้างหลวงปู่มั่นคือวันที่สิบแปดที่จะถึงนี้ที่วางไว้แล้วเป็นกองเป็นกอง กองละห้าร้อยกองละพันแล้วก็กองละสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดจำนวนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดกองวางไว้อย่างนี้จะได้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็รวมกันไปเพื่อสร้างเป็นรูปประรรมรูปหลวงปู่มั่นยืนยืนใหญ่สูงที่สุด ในยุคนี้ยังไม่มีรูปหลวงปูมั่นสูงใหญ่ก็คงจะมีอันนี้สำเร็จเป็นองค์แรกจึงได้ประกาศเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายร่วมบำเพ็ญบุญในพระสุปฏิปโนพระอระหันต์อันเป็นบุรพาจารย์ของพระมหาเถระทั้งหลายที่เป็นพระสุ ปฏิปนูและเป็นพระลพระอริยะเจ้าที่เราได้กราบไหว้เคารพสืบมานี้อันนี้แหละเป็นมู ล, ลเหตุดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายในที่สุดแห่งการแสดงธรรมซึงได้กล่าวถึงเรื่องเตรียมกายเตรียมใจให้มันพร้อม เพื่อจะสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับตัวเราไปสู่ความสำเร็จได้กล่าวถึงวิชาและวิมุตตอะไรเป็นเหตุเริ่มต้นตั้งแต่การสำรวมแล้วก็จะเกิดสุดจริตสามประการบัดนี้ความสำรวมของท่านมีพร้อมสุดจริตมีพร้อม แล้วก็สติปัฏฐานสี่กับโพชงเจ็ดนั้นจะต้องไปฝึกต่อโตไปเราก็จะเข้าถึงวิชาและบิมุตตกลายเป็นบุคคลที่ได้พัฒนาตัวเองแล้วทั้งดนทั้งสถานภาพทางใจอันสมบูรณ์เราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมีอนาคตเราจะต้องหมดเนื้อหมดตัว แล้วไม่ต้องพุทธต้องเกิดนั่นแหละก็คือไปสู่เดนอันเป็นบรมมสุดดังนั้นในที่สุดแห่งการแสดงธรรมขอราชนาคุณพระศรีรัตนไตรคือพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์จงอภิบาลรักษาท่านสาธุชนทั้งหลายที่ไม่มาร่วมประชุมบำเพ็ญปฏิบัติธรรมนาทีนี้ จงให้รับแต่ความสุขความเจริญปานาสิ่งใดอันเป็นประโยชน์อันหาโทษไม่ได้ก็ขอความปานาเหล่านั้นจงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จแก่ท่านจงทุกประการดังที่แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการละชนทน